บุกทูเจ็ดสิบเก้าสียเวจคำคุณศัพท์สองปริดาในเมนาดวิกะดิฉันสวมชุดสีฟ้ามามในเซบ e มอดเรชาติ ดิฉันสวมชุดสีแดงมามนัสเบธเ e อร e เบนไอชัตติดิฉันสวมชุดสีเขียวมามน a ส e บธเจลานไอชัตติดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำฮูปิมเชียร์นุตัสกดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล กูพิมพ์เงียดูทัชกูดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวกูพิมพ์เบียร์ทัชกูดิฉันต้องการรถคันใหม่ตระเวียนโนเวออัลโตดิฉันต้องการรถความเร็วสูง r ระเวียนรีเฟลอัลโตดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย p o t r ้องการรถที่ส n า a ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบนทัมโฮเรบีวาสตา t a เจนาผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนทัมโฮรบวตสต a ราเผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่างทับวา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 มาแต่เพื่อนบ้านมีลูกซนอเลสย m a ่ดูลูกลูกของคุณเป็นเด็กดีไหมคะส u ว่าเช็กที п о с